นี่เขาต่อไปบอกว่าดูก่อนสารีบุตรอีกประการหนึ่งตถาคตกระทาให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตตคืออรหัตผลสมาธิปัญญาวิมุตตคืออรหัตผลปัญญาทั้งอรหัตผลสมาธิอรหัตผลปัญญาที่หาอาสวะไม่ได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยอรหัตมัคคปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกนสารีบุตร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 กำลังของตถาคตสิบประการเหล่านี้และที่ตถาคตประกอบแล้วปฏิญาณฐานะของผู้นําผู้เป็นโจกเนี่ยนะบัลลือศีหนาทในบริษัทยังพรหมจักรให้เป็นไปเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดทศพลยานเนี่ยนะมีบางพวกเขาบอกว่าทศพลยานก็คือสัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานก็คือทศพลยาน อันนะไม่มีการแตกแยกอะไรหรอกจริงๆอันะอันเดียวกันก็บอกไม่พึงเห็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจผิดแบบนั้นทศพลยานก็อย่างหนึง่งสัพพัญยุตยานก็อย่างหนึง่งทศพลยานรู้กิจของตัวเท่านั้นเองเป็นยานเฉพาะเฉพาะมีทั้งสิบข้อใช่ไหมเก็รู้เฉพาะตัวเฉพาะตัวไปสัพพัญยุตยานรู้กิจของตัวเองด้วยและรู้กิจของทศพลยานทั้งที่ทหมดทั้งหมดด้วย เพราะฉะนั้นทศพลยานเนี่ยจึงไม่ใช่สัพพัญยุตยานสัพพัญยุตยานก็ไม่ใช่ทศพยลยาณคนละอย่างขนาดเดียวกันทศพลญาณยานหนึ่งจะไปรู้แทนอีกยานหนึ่งไม่ได้แจกเป็นสิบประเภทอย่างเช่นฌานที่ยานที่หนึ่งของทศพลยานรู้อะไรว่าเป็นเหตุและมิใช่เหตุยานที่สองรู้ลำดับแห่งกรรมรู้ลำดับแห่งผลของกรรมเท่านั้นยังไม่รู้เรื่องอื่นยานที่สามก็เฉพาะรู้อะไร สัพพตคามินีปฏิปทาญานกรรมตัวไหนนําไปเกิดที่ไหนญาณที่สีก็รู้ความแตกต่างแห่งธาตุความหลากหลายของธาตุญาณที่ห้ารู้อัธยาศัยอธิมุตของสัตว์ญาณที่6รู้ว่าอินทรีย์หย่อนหรือแก่กลาญาณที่เจรู้อะไรเป็นความเศร้าหมองเป็นต้นของฌานเป็นต้นญาณที่แปก็รู้ขันทั้งหลายที่อยู่ในการก่อนญาณที่9้ารู้จุติปฏิสนธิญาณที่สิบกำหนดสัจจะ ยานที่สิบใส่ใจในอริยสัจอันนี้นี้เฉพาะทศพลเรนีนส่วนสัพพัญยุตยานรู้กิจที่ควรรู้ในทศพลรียนเหล่านั้นทั้งหมดสัพพัญยุตยานรู้นะว่าทศพลรียนรู้อะไรบ้างและรู้ยิ่งกว่ากิจเหล่านั้นอีกรู้เรื่องอื่นที่ทศพลรียนไม่รู้อีกหลายสิบเรื่องแต่สัพพัญยุตยานเนี่ยไม่สามารถทำกิจทุกอย่างได้รู้หมดแต่ทากิจไม่ได้ เอารู้ว่าฌานสัพพ <im> ัญญุตญาณไม่ใช่ฌานเนี่ยมันเข้าฌานได้ที่ไหนสัพพัญญุตญาณเพราะตัวสัพพัญญุตญาณไม่ใช่ฌานใช่ไหมสัพพัญญุตญาณเป็นมหากิริยาญาณสัมปยุตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัพพัญญุตญาณนั้นขออภัยสัพพัญญุตญาณนั้นเนี่ยนะเพราะความที่ตัวเองไม่เป็นฌานจึงไม่สามารถเข้าระดับอัปปนาได้เมื่อตัวเองไม่เป็นฤทธ์เนี่ยนะก็ไม่สามารถจะแสดงฤทธ์ได้ตัวเองไม่ใช่อริยมรรค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 วิธีแก้ลับที่ที่เข้าใจผิดว่าสัพพัญญุตยานคือทศพลายานเนี่ยอันเดียวกันเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดก็ถามว่าทศพลายานนี่มีวิตกวิจารไหมนะหรือไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์แล้วทศพลายานเป็นกามาวจรรูปาวจรหรืออารูปาวจรทศพลายานเป็นโลกิยะหรือโลกุตระถ้าคนที่เรียนธรรมะมาดีตอบได้เลยว่ายานที่หนึ่งถึงยานที่เจ็ด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 หรือชานอ่ะ น, นะยานทั้งหมดตั้งอั่หนึ่งถึงเจ็ดเป็นกามาวจรยานที่เจ็ดที่แปดคือปุเพนิวาสานุสติยานและจุตูปตาตยานเป็นรูปาวจรอาสวัคคายานเป็นโลกุตระส่วนสัพพัญยุตยานมีวิตกวิจานเป็นกามาวจรและเป็นโลกียะเนี่ยนะจริงๆแล้วสัพพัญยุตยานเป็นโลกียะไม่ใช่โลกุตระส่วนทศพลายานเป็นทั้งกามาวจรรูปาวจรและ โลกุตระนั่นเองทีนี้มาศึกษาวิธีว่าพระพุทธเจ้าสำรวจตรวจสอบสัตว์ทั้งหลายก่อนจะแสดงธรรมอย่างไรไม่ใช่เห็นหน้าปั๊บเทศอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่ตอนแรกก่อนพระองค์ก็ดูตรวจดูด้วยนะว่าพระองค์รู้ว่าภาวะเนี่ยเขามีเครื่องกั้นไหมหรือไม่มีเครื่องกัน้น แปลง่ายๆว่าบรรลุได้ไหมหรือไม่บรรลุทํากรรมให้บรรลุมามั่งหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้สร้างเหตุแห่งความบรรลุเรียกว่าสํารวจตรวจดูด้วยฐานาฐานยานนั้นก่อน่ยใช้ฐานะฐานนาฐานะก่อนเช่นถ้าทําอนันตริยกรรมมายังไงก็ไม่บรรลุบรรลุไม่ได้อย่างเช่นพระเจ้าชาติศัตรูใช่ไหมทั้งๆที่จริงๆอ่ะพอจะบรรลุได้แต่ทําอนันตริยกกรรมมาเลยไม่สามารถจะบรรลุได้ เป็นต้นนั่นเองนะนะรู้ว่าบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้เป็นพวกพัพภาษาหรือพวกอภัพภสษาอันนี้ใช้ฐานะอะภฐานะยานตรวจยานที่รู้อะไรเป็นฐานะและไม่ใช่ฐานะทีนี้ต่อไปอีกก็ดูอีกว่าอะเขาเนี่ยสามารถย่างลงสู่สัมมตานิยามหรือมิชตนิยามได้ไหมนะเป็นสัมมาทิฏฐิหรือว่าเป็นมิมชฉาทิฏฐิอันเ น, น, นี้เขาเรียกว่าใช้อะไรยานะไรตรวจ กรรมสมาทานทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันว่าปกติเขามีสัมมาทิฐิหรือว่าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิเป็นสมมตินิยามหรือพวกมิจฉตอนิยามพอจะบรรลุได้หรือบรรลุไม่ได้ประชุมมรรคเสร็จหรือว่าประชุมไม่ได้แล้วก็ตรวจ ด, ดูว่าคนเหล่าเนี่ยมีเครื่องกั้นคือวิบากไหมปฏิสนธิมันปฏิสนธิแบบอเหิทวิเหตุหรือติเหตุนําเกิดแล้วกตรวจ ด, ดูปฏิสนธิก่อนแล้วตรวจ ด, ดูไปอีกว่ากรรมที่ทําให้มาเกิดเนี่ยมันทำกรรมอะไรมา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 อธิมุตเนี่ยดีหรือเลวเนี่ยนะพวกกามัธยาสัยหรือเนคคำมัธยาสายพวกหมายถึงว่าพวกที่มักโลภหรือว่าไม่โลภพวกมักโกรธหรือไม่โกรธพวกฉลาดหรือโง่เขลาเป็นสัมมาทิฏฐิหรือกลุ่มที่จะเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะพระองค์ก็แสดงทำอะไรที่เหมาะตามสติและตามกําลังของเขาเหล่านี้แล้วก็ตรวจดูตบี ว, ว่าอินทรีย์นี่หย่อนหรือยิ่งตอนนี้ขณะ น, นี้อินทรีเป็นยังไงศรัทธาเป็นยังไงวิริยะสติสมาธิและ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 ว่าเกิดไปด่าพระพุทธเจ้าว่าทำมันยิ่งของมนุษย์ที่ยาที่เป็นญานณทัศนะอันวิเศษพอแกความเป็นอริยะของพระสมณโคโดมไม่มีแค่ว่ามีคุณธรรมดีขนาดนี้แล้วไปบอกว่าไม่มีพระสมณโคโดมแสดงธรรมที่ประมวลมาด้วยความตรึกที่ไตรตรองด้วยการค้นคิดแจ่มแจ้งได้เองคะคำที่สุนัขตะลิชวิบุตรด่าพระพุทธเจ้านะ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 พึงกย็ยิมอรหัตผลในปัจจุบันทีเดียวฉันใดดูก่อนสารีบุตรเรากล่าวข้ออุปมาันนี้ก็ฉะ น, นั้นถ้าหาว่าผู้นั้นไม่ละวาจานั้นซะไม่สละความคิดนั้นเสียไม่สละคืนทิฏฐินั้นเสียก็เที่ยงแท้ที่จะตกนรกเนี่ยนะสงสารสุนัขคาตะนัก็ถูกด่ายมีชาติก็ไม่รู้เนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนี้เนี่ยนะก็ปะเปรียบเหมือนว่าแสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์สว่างขนาดนี้บอกไม่สว่างมืดเหงือนกัน น, นะที่ไหนได้คนพูดตาบอด